ขอรับน้อมต่อพระร ต, ตรีถว า, ายความเคารพมายังหลวงประกมมลักเพื่อนสากลธรรมิกทีก่ของเราทุก ๆ, ๆรูปเฉลพอง พ, พ่อไปยังคุณแม่ชีบาศกภาลศิกาที่มารวมตัวกันทำบัตรเย็นในวันนี้เย็นนี้เป็นเย็นวันเสา ร, ร์ที่16กุมภาพันธ์พศ2556 เราก็ได้เดินทางชีวิตกันมาอีกวันนึงมีโอกาสที่ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะเป็นสามีกิจเป็นวัดปฏิบัติของชุมชนพอหกโมงเสียงคล้องดังกันมาทำบัดรจดเหมือนกันเมื่อกี้สวดถึง ชีวิตของเราเมื่อเวลามีภัยเวลาชีวิตมีภัยไม่ปลอดภัยเราจะถือเอาวัตถุสิ่งของต้นไม้เจดีภูเขาเป็นที่พึ่งเป็นสารณะ ส, สารเลขาเช่นงูตะขาบมีรูเป็นสารณะ เราก็มีกระดองเป็นสารณะเมื่อมีภัยก็หดลบก็ามาสุนัขป่าสุนัขบ้านกัดไม่ได้กินไม่ได้กระดองแข็งมนุษย์เราพอมีภัยัยจากโรคาภัยหาหมอโรงพยาบาลจะละภัยก็เพิ่งผู้พิทักษ์สันติแาช วันนี้ก็มีข่าวภัยจากอุก า, าบาทมีรถหลบกันทางไหนอะหลบกันไม่ได้474ชีวิตบาดเจ็บมรณะภัยนี่ก็หลบไม่พ้นเสียนันก็เรียบร้อยไปแล้วหลายอย่างมีตัวแก้ ลที่สำคัญก็คือลัณะของภัยวัตตาสงสารหรือว่าสังสารวัฏมันก็มีตัวแก้บารณะภัยมีตัวแก้นะก็คือพระศาสนานี่แหละการแก่การเจ็บการตายเป็นเทวทูตจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติทุกๆชีวิต ก็มีโลคาปยาธิมีร่างกายก็ต้องมีความทุกข์จากการประชุมของธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมถ้าประชุมแต่พอดีครถือว่าสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติอาจจะมีความสุขหรืออาจจะมีความทุกข์ภายในจิตใจ ก็ขึ้นอยู่ว่าจิตใจมีที่พึ่งหรือไม่ร่างกายเราก็พึ่งกระทรวงสาธารณสุขผู้รู้ให้คนหมอเขาดูแลฉีดท้มอมทาผ่าตัดหรือว่าทำยังไงก็ได้ตามภูมิ จิตภูมิทำตามสติตามปัญญาแต่ว่าเรื่องจิตใจเราที่มันทุกพภัยวัฏตาสงสารก็คือความคิดละโกรดคิดละโลภคิดละหลงกิดละรักคิดละชังคิดละเกิดความทุกข์คิดละเกิดความสุขความคิดที่เป็นพบเป็นภูมิเกิดดับในจิตของเราที่ถียบ อันนี้เป็นภัยที่เกิดจากวัตตาสงสารต้องกลับมารู้สึกตัวที่หลบภัยวัตตาสงสารคือให้รู้สึกตัวมีสติมีสัมมชัญญะเมื่อเรารักษาตัวเราตัวกายตัวใจของเราโดยการมีความรู้สึกตัวมีสติมีศีลมีสมาธิมีสัมมชัญญะ เราก็จะได้เห็นนะความทุกข์ที่มันเกิดจากความคิดที่เป็นตัวกิเลสความโลภความกดความหลงเป็นตัวกิเลสนะตัวตันหาอุปาทานนะเป็นความทยานอยากนะที่ออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทางสัมผัสนะความรู้สึกตัวมันก็จะช่วยเนยะียวยาจากหนักเป็นเบา ศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบศีลก็คือความเป็นปกติของจิตก็คือกิเลสสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางก็คือตัวตัณหาเนี่ยแหละเป็นกิเลสการทยานอยากก็ทยานอยากไปตามจริตนิสัยแต่ละบุคคลก็สร้างนิสัยซ้ำๆทําจนติดเป็นนิสัย อุปนิสัยก็จะเกิดการทยานอยากไปหาสิ่งสิ่งนั้นตาประการที่มันติดมันยึดนะก็คืออุปาทานอันนี้ต้องแก้กันด้วยความรู้สึกตัวก็คือตัวปัญญานั่นแหละอันนี้เราจะเป็นที่พนะักพิงแล้วพึ่งได้ ภายในใจของเราไม่จนใจมันมีคำตอบมีความแก่มีความเจ็บมีความตายแต่มันก็มีลักษณะของสมนะัมมณะผู้ที่ฝึกตนสอนตนไม่ว่าจะเป็นสีล5ศาสินแรน 10, ี่2ิ7ข้อหรือว่าสีรนร้อยสข้อเมื่อเรามีลักษณะของความรู้เนือ้อรู้ตัวรู้สึกตัว ก็เท่ากับเราได้ที่พึ่งเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งท่ามกลางเป็นทั้งที่สุดภัยวัาสงสารถูกตัดลงตัดกรรมเคยคิดเคยพูดเคยทำเคยดีใจเคยเสียใจเคยหวั่นไหวเป็นลน้านของสำประเวสีเดี๋ยวมันก็แวบออกไป เดี๋ยวมันก็พุ่งพวดออกไปเดี๋ยวมันก็หลงไหลเดี๋ยวมันก็ลืมเนื้อลืมตัวเราก็กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวตั้งเอาไว้ทุกๆ ก, ก, กันนะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจท้องพองยุบหรือว่าการเคลื่อนการไหวก็ดีการเดินจงกรมนี่มีอันนี้สูงสูงมากอันนี้ก็ดีการเคลื่อนไหวแต่และขณะแต่และกณะเนี่ยมันการฝึก จิตสอนจิตเทมเคยประโยกับความคิดคิดแล้วกดคิดแล้วกุ้มคิดแล้วกลัวคิดจนใจแตกสลายพอใจแตกสลายเป็นที่มาของอาการต่างๆอีกมากมายความเครียดความวิตกกังวลความเบือ่อความเศร้าความเหงาความน้อยใจมันก็จะเกิดขึ้นมา พันใจของเราต้องมีที่พึ่งสติก็จะต้องไม่แตกสลายเกิดอะไรขึ้นก็ต้องตั้งสติเอาไว้ดีๆมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวอันนี้ต้องฝึกต้องหัดกันตรงนี้ก่อนพันธุนพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธก็คือลักษณะของจิตตื่ น, นรู้เบิกบานโปร่งใสแจ่มใสเริ่มจากความเป็นปกติของจิต ทุกครังที่รู้สึกตัวอยู่พระธรรมก็คืออาการต่างๆที่แสดงออกปรากฏอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่ตลอดเวลาธรรมะธรรมชาติธรรมดาธรรมดาสามัญลักษณะมีอยู่เหมือนกันทุกคนทุกสามัญลักษณะคือกายต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่แล้วท้ายสุดคือต้องตายทุก สามารถลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นทุกขังทุกคนเหมือนกันแม้กระทั่งอลมหายใจตากระพริบนี่ก็เป็นความทุกข์เป็นนิสสระนาทุกข์ทุกเนืองนิดมีอยู่เป็นประจำยู่ข้าวหรือว่ากระหายนา้ําเป็นอาันรดุ ก, กาะทุกมาเยี่ยมเราเป็นครัง้งเป็นกล่าว มันก็จะมีทุกของพไติลักแสดงบอกเราอยู่นะก็คือละนาสามอย่างที่เกิดแนาการคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้แหลมจึงเป็นวิชาเผื่อใจอะไรมันก็ไม่แน่ทั้งหมดที่ว่าแน่มนก็ไม่แน่ที่ว่าไม่แน่มนก็แน่เมือเราเห็นอย่างนี้นก็ยึดไม่ได้มีกายก็ยึดกายไม่ได้มีใจอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่มันไม่มีตัวไม่มีตน มันจะไหลมันจะคิดมันจะปรุงจะแต่งอะไรก็ไดนะ้เราก็เห็นมันรู้จักมันเจตนาคิดเกิดคุณค่าขึ้นมาจะคิดก็คิดโดยมีเจตนากำกับมีสติกำกับหยิบเอามาใช้เป็นลักษณะของสุขติภูมิคิดแล้วก็เป็นสุขคิดแล้วพูดแล้วทำเป็นจารีประเพนีเป็นวัฒนธรรม เป็นความงามเป็นความสวยเป็นสันติสุขสันติภาพของสังคมอันนี้มันจะเกิดความร่มเย็นเราก็หยิบเอมามาใช้แต่ถ้าหากว่าเรารู้ไม่ทันความคิดใ้เราก็ฆ่าคุณคิดเรากเกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายคิดเป็นไม่เป็นทุกข์คิดไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ เราก็เลยรู้จักที่จะใช้สิ่งที่มันมีอยู่ให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เหลือต่อไปเรียกว่าต้องเอากายของเราเป็นพ่วงแพ้นะับพายถอค้ำไปสู่ฝั่งของพระนิพพานได้ใช้กายของเราเป็นครูอาการต่างๆที่มปรากฏขึ้นมาเป็นครูอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏใช้มันเป็นครูเอามาศึกษาตัวชีวิตของเรา ให้มันผ่านพ้นไปให้เป็นเรื่องของอาการต่างๆที่มีอยู่จริงๆไม่ทําให้เราต้องเกิดการขัดแย้งภายในจิตใจของเราสิ่งนี้เกิดกับเราเราชอบสิ่งนี้เกิดกับเราเราไม่ชอบอย่างนี้สิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้เราชอบมันก็เลยเสียเวลากันก็จึงยิ้มได้ประไพม า, า, มาอะไรเกิดขึ้นก็นได้ เราจะใช้เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งไม่จนใจผ่านได้ทุกข้อสอบไม่ว่าโจทย์จะยากโจทย์จะง่ายไม่เป็นเลยมันจะมาช้ามาไวไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเจอเจอเร็วก็ผ่านเร็วได้คำตอบไวถ้าเกิดสติปัญญามันเห็นก็เกิดการปล่อยการวางเกิดมามันก็สบายอย่างงี้ยนะก็เียก็่ ว, วยเอามาเป็นประโยชน์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเป็นความจริงของชีวิตเราที่เราก็ไม่ปฏิเสธเอามาเป็นปัญญาดูดูแล้วก็เห็นเห็นแล้วเกิดความเฉลีวขึ้นมาเป็นปัญญาเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกจนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมชาติถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะ ถ้ามันจะไม่เป็นมันก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรมัทั้งหมดนะั่นนะมันก็จึงเป็นวิชาเผื่อใจจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นคําพูดของความรู้สึกตัวเป็นคําพูดของสติทุกครั้งเียนกายเคลื่อนไหวหเห็นใจคิดนึกมันก็เห็นอาการของกายของจิตตามความเป็นจริงเป็นลนักษณะของความไม่เที่ยงอันนี้ชัดเจนเหลือเกิน ความคิดเรื่องเก่าจบเรื่องใหม่มาเรื่องเก่าจบเรื่องใหม่มาคิดจนกระทั่งมอนก็ว่าวันทั้งวันเรามีแต่ความฉลาดมาเกิดความคิดมันว่ารู้สึกตัวที่คิดนั่นแหละนั่งนานๆเห็นอาการมันเคลื่อนมันไหวเกิดความรู้สึกที่กายนั่นะเวลาปกติก็รู้สึกตัวเวลามันสุขมันทุกข์ก็รู้สึกตัว มันก็จะมีแต่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดในชีวิตเนะีถ้ามองดีๆแล้วดีทั้งหมดเลยเหมือนกับนะมีชาวบ้านนะทําความเลี้ยงมาเขาเลี้ยงมาจนกระทั่งม้าเนี่ยมันเก่งมากฝึกจนกระทั่งมันเป็นแชมปนะ์มีค่าตัวเป็นม้าแข่งฝีเท้าดี ทุกคนก็ชื่นชมว่าเออเป็นม้าที่นําโชคนําลาบมาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของความวันหนึ่งมา้าตัวงามออกเข้าป่าเป็นม้าหนุ่มทุกคนต่างเสียดายว่ามา้าราคาแพงตัวนี้หนีเข้าป่าไปแต่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงม้ามีธรรมมากก็ บ, บอกว่ามันไม่แน่หรอก ที่คุณว่าซวยว่าโชคไม่ดีนะแต่เราว่ามันไม่แน่หรอกมันอาจจะเป็นโชคดีก็ได้อีกหลายที่ต่อมามาฝีเท้าดีก็กลับจากป่าเข้าที่ฟาร์มเลี้ยงมา้าเข้ากแต่ว่ามาเอาตัวเมียม้าป่ามาอีกตัวหนึ่ง ชาบ้านก็บอกว่าโอ้โชคดีเนาะที่แรกนึกว่าโชคลายเจ้าของฟาร์มเลี้ยงมา้าก็มีธรรมะก็บอกว่ามันก็ไม่แน่หรอกวันต่อมาลูกชายก็ไปฝึกม้าตัวเมียที่มันยังพยศอยู่เป็นม้าป่าที่ยังไม่ได้รับการฝึกม้าป่าพยศ ด, ดีดลูกชายตกลงมาแขนหัก ชาวบ้านก็บอกโอ้ทีแรกนึกว่าโชคดีโชคร้ายเนาะลูกชายแขนหักเสียแขนไปเลยเจ้าของฟาร์มเล้ยงมากขาบอกเขาก็ไม่แน่หรอกมันไม่ใช่ดีไม่ใช่ร้ายนะสิ่งที่เกิดขึ้นมานะอีกหลายวันต่อมาศัสดีเรียกไปเกณฑ์ทหารก็ไปทั้งที่แขนหักๆอย่างนั้นแหละมีเฟือกเข้าเฟือกห้อยคออยู่ ศัตดีเห็นแป๊บก็เอเ อ, เอคัดออกไปเลยก่อนนี้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารตกลงเป็นโชคดีโชคร้ายนะโยมก็ไม่รวมกันกมันดีหรือร้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันคือธรรมะนะความจริงอาการแก่ก็เป็นความจริงอาการเจ็บก็เป็นความจริงไข้ไม่สบายก็เป็นความจริงแม้กระทั่งตายก็ยังคือความจริงนะเราเห็นความจริงมายิ้มได้มาไพร์มา พัฒนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ก็จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียววิชาของกุศลนามันทําให้เกิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเมื่อสองวันก่อนไปที่สารคามได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่คนหนึ่งก็เป็นค้าวบดีประจําจังหวัดสารคาม แล้วก็เป็นนายกสมอสไลออ น, ออ น, นก็มีตาแหน่งทางการเมืองทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มีอาการหัวใจที่มันรั่วแล้วก็ต้องไปผ่าตัดวันนั้นเป็นวันที่เขานึกถึงพระหลวงพ่ออกูบาาจารย์แล้วก็ จริสติแล้วเขาก็เงียบว่างไปเลยมาฟื้นจากผ่าตัดเขาก็แข็งแรงได้ไวนะจนหมอรู้สึกอศัศจรรย์ใจพอกลับไปบ้านเขาก็บริหารงานต่อทันทีภายในอาทิตย์เดียวนะวางแผนงานต่างๆปรากฏว่าเส้นเลือดสมองแตกก็น็อกเลยบังเ อ, อิญเดชาบนลูกสาวจบพยาบาลมาก็ ช่วยปั๊มมาแม่ก็หมดลมหายใจลูกสาวก็ให้แวะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็คือโรงพยาบาลโกสมพอแวะที่โรงพยาบาลก็ใช้รถแอมเรานของโรงพยาบาลพาไปส่งที่โรงพยาบาลศรีนักลินคอนแก่นลูกสาวก็ปั๊มไปตลอดทางเลยปรากฏว่าไปถึงก็ยังรอดอีกนะ ยังรอดอีกหมอก็พาตัดจัดหนักให้เลยคือผ่าตัดสมองวันที่ไปเยี่ยมนี่ก็คืออาการห้าสิบห้าสิบไม่ได้พูดไม่ได้คุยเพียงแค่ อ, อนั่งแล้วก็ใช้เป็นครูระลึกถึงว่าถ้าเรานอนอย่างนี้เราจะทำยังไง ก็ลากลับมาหลายญาติที่เฝ้าไข้กลับมา้วกพยายามโทรไปเมื่อเวลาทางญาติเฝ้าบอกมีสติมีความรู้ตัวเล็กๆ ก, ก็จะพูดคุยสนทนากันไ ม, ไม่ได้ตัวตอบพอฟื้นพอทราบว่าฟื้นปรากฏว่าเร็วมากเลยความจำของสมองเนี่ยมาอย่างรวดเร็วก็สอบถามว่า วางใจยังไงหรือเวลานอนอยู่ในโรงพยาบาล น, นอนอยู่ในห้องไ c ซเวลาจะเข้าห้องผ่าตัดเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกตัวนี่แหละมีสติแล้วสังเกตเป็นคนไข้ที่หน้าตาสดชื่นหน้าตามีความสุขมากๆดมันก็สมศักดิ์ศรีที่จะเกิดมเป็นชาวพุทธแล้วได้เกิดมาเป็นลักษณะของ คนไทยที่มีศาสนามีพระมหากษัตริย์เรามีพระหลวงพระาคุบาอาจารย์ได้ฝึกสติจนกระทัง่งมันพึ่งได้จริงๆเวลามีภัยนหน้าตาสดใส ย, ยิ้มแยมีมเนี่ยมันชื่นใจตรงเนี้ยนะชีวิตเวลาเข้าสนามลบเราก็ลบเต็มๆแต่วละสงบเราฝึกยามสงบเราฝึกยามศึกเราลบ พอก็สมศักดิ์ศรีอลไเรียกว่ายิ้มได้มาภัยมาพร้อมปล่อยพร้อมวางมันจะวางได้ปล่อยได้ก็นั่นหมายถึงว่ามันมีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวก็มีสติในความรู้สึกตัวก็มีศีลในความรู้สึกตัวก็มีสมาธิในความรู้สึกตัวก็มีปัญญายิ่งเราไม่มีภัย เป็นเรื่องของการแก่การเจ็บการตายหรือว่าจะต้องเผชิญสถานการณ์ขับขันแต่ว่าในหน้าที่การงานอันนี้ก็สําคัญเราจะรู้เหตุทําเหตุอย่างนี้มันเกิดผลอย่างนี้รู้ผลอย่างนี้มาจากเหตุอย่างนี้รู้จักงานรู้จักกรอบของงานกติกาของงานก็บังคับหรือว่าลักษณะของกรอบที่ทําแล้วทําให้งานสําเร็จ จะรู้ว่าเรามีความสามารถศักยภาพขนาดไหนมาทําไปแล้วนะมันจะมีความสําเร็จไม่สําเร็จอย่างไรรู้กําลังรู้ประมาณเกิดรนะนาดของมัตตัญญาตารู้จักประมาณทํางานแค่ไหนจะเกิดศักยภาพสูงสุดนอนแค่ไหนจะเกิดศักยภาพสูงสุดรับประทานแค่ไหนทําให้เกิดประสิทธิภาพคุณภาพของอาหารที่มัน ทำให้เกิดการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ให้พลังงานภายในหนึ่งวันอย่างเนี้ยมันจะมีลักษณะของการพิจารณาขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเราก็จึงมาฝึกมาหัดกันวัดป่าสุโตัวคือมาดีไปดีมาแล้วก็มาฝึกหัดพื้นที่ประมาณห้าร้อยหกสบไร่แล้วก็อยู่อย่างเป็นเจ้าของ ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วสร้างความรู้สึกตัวกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทําอะไรก็ใจก็ทําด้วยเคลื่อนไหวก็ให้รู้ปัจจุบันทันทีรู้ทุกทุกขณะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบเท่าที่มันจะรู้ได้อันนี้เราจะเป็นวิหารธรรมเป็นที่พึ่งของจิตเราต่อไปมีกาย ก็เรียกว่าวัตถุรูปธรรมมีจิตใจคือวัตถุที่เป็นนามธรรมเป็นวัตถุเหมือนกันเวลาคิดมันจะเป็นวัตถุเป็นอาการกิริยาเกิดขึ้นมาภายในจิตภาษาศ า, าสนาเรียกว่านามรูปภาษาของร่างกายก็เรียกรูปนามเพอเราเห็นอาการจริงๆตามธรรมชาติแล้วก็โอ้หายสงสัยไปเลยนะเพราะฉะนั้นเรา จะต้องนึกถึงกฎของวิชาเผื่อใจว่าเรียกว่านิจังวันนี้ร่วงพรุ่งนี้อาจจะร่วงก็ได้วันนี้รุ่งพรุ่งนี้อาจจะร่วงก็ได้วันนี้รุง่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปรู้เอาไว้ทุกชีวิตอนิจังเดี่ยดูนะอนิจัง มนไม่เที่ยงมนไม่แน่เผื่อใจเอาไว้ะวาขององค์สมเด็จสัมมาเจ้าเราก็รู้ว่าตามพุทธประวัติท่านถูกเลี้ยงดูให้เป็นสุขุมกุมรารชาติจะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าสุโทธทนะก็วางหมากเอาไว้ให้หลวงเพิดเพลินในวัตถุกรรมคุณมีปราสาทสามฤ ด, ดู เดูหนาวอยู่หลังหนึ่งเราดูฝนอยู่หลังนึงเรดูร้อนอยู่หลังหนึ่งมีสาวสนมมากมายนับพันมีภรรยาสุดสวยพิมพามีลูกชีลาหุน้นแต่ท้ายสุดเห็นว่ามันไม่ใช่มาไปเห็นการแก่การเจ็บการตายมันก็จะเกิดกับเราด้วยมันจะต้องรับผิดชอบ มีแก่ต้องมีไม่แก่มีเจ็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายเนือเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนือทุกข์กค้นพบวิชาวิปัสสนากรรมฐานการเจริญสติปัฏฐานจนทางเป็นลระนาของมรรคมีอง 8. ค์ค้นพบทางเดินหนทางสู่ความไม่ทุกข์หนทาง ที่เดินออกจากความทุกข์อริยมรรคมีองค์แปดก็ได้เห็นความจริงเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเป็นทุกขอริยสัจสี่เกิดที่กายที่ใจของเราโดยเฉพาะจิตใจของเรานะความคิดเกิดขึ้นมา <Yeah. S 1> เป็นทุกขเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้มาฝึกสติออกมาจากความคิดมันก็เป็นมรรคเกิดความเห็นแจ้งก็เป็นนิโรธขึ้นมา เพราะนั้นเราทําได้แน่นอนอยายักษ์สี่ทุกสมุทัยนิโรธมาเกิดที่ชีวิตของเราเราก็ต้องเห็นตัวชีวิตของเราประกอบด้วยกายด้วยใจธาตุสกัน5เห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นอาการเห็นเป็นความจริงก็คือประวัติศาส ภ, ภาวะท้ายที่สุดสี่คนหาม3ามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไป สุดท้ายของชีวิตเราทุกคนไม่เว้นสี่คนหามันคือธาตุสี่หามเร า, ว า, าไว้ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมถ้ามากบ้างน้อยบ้างก็จะติดติดขัดขั ด, ขดไม่สะดวกในการใช้งานสี่คนหามสามคนแห่คือกดของพาไตรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกความไม่ใช่ตัวตน เ่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มืมันไม่ทุกข์ก็มไม่ควรยึดมไม่ควรถือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนลักษณะของไปรักหามแห่หนึ่งคนนั้งแค่จิตใจของเราสองคนพาไปคือบุญกับบาปอันนี้เป็นลักษณะของพฤติกรรมของเราที่เป็นมโนกรรมคิดแล้วก็ดีคิดแล้วก็ไม่ดีติดอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็จึงชำระให้จิตบริสุทธ์ ชำระให้จิงของเรามันวางจากความหมายความเป็นตัวตนทั้งขาวทั้งดําเรามีไว้ใช้ตามหน้าที่เฉยๆทําหน้าที่ที่เป็นงานทําให้งามขึ้นมาทํางานทําหน้าที่ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรานะให้มันงามขึ้นมาจนทาเป็นการงานที่สังคมก็ยอมรับกันต่อไปแต่ว่ากรรมฐานนี่เป็นงาน ที่จิตใจเขาเราจะได้ที่พึ่งนะกรรมอย่างอื่นทําให้ได้สตางค์ขึ้นมาวิศวกรรมสถาปัตยกรรมแพทยกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมนวัตกรรมทําให้เกิดสตางค์ขึ้นมาแต่ว่าฐานของกรรมให้เกิดสติขึ้นมาและเป็นสติปัฐานที่ไม่ใช่สติสัญชาตญาณถึงได้คําตอบขึ้นมานะชีวิตของเรามันไม่แนนะ่ชีวิตของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแน่ ยึดเอาไม่ได้เลยถ้ายึดเอาเมื่อไหร่คือทุกข์เราก็จะเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงตามรอยที่องค์สมเด็จสามมาเจ้าได้เดินเอาไ ว, แว้แล้วเราก็เดินตามทันทีโดยที่ไม่ต้องเหมือนกับว่าลังเลสงสัยไม่เชื่อมันเป็นศรัทธาเป็นความเชื่อทันทีที่เรารู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวกระพริบตารู้สึกตัว ตัวนี้นเป็นเคล็ดลับของความพ้นทุกข์ที่คนไทยนิโชคดีที่มีบรดกที่เป็นวิถีพุทธวิถีของทางเดินไปสู่ปัญญาภาวนาที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากการกระทาจริงๆที่เราทําได้ทุกคนไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้ไการอยู่ อย่างไม่ทุกข์ก็คืออยู่อย่างมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวให้ใจมีสติอยู่กับกายความเป็นปกตกิจะเด่นขึ้นมาทันทีฝึกจนกระทั่งเป็นนิสัยเมื่อความเป็นปกติเด่นมันก็ไม่ทุกข์แล้วะก็จึงเป็นเรื่องของกายตาสี่ขันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขากระทบาอากาศร้อนก็ต้องร้อนกระทบอากาศเย็นก็ต้องเย็น เราก็ไม่ได้เอาคุณค่าของความร้อนความเยนม็นมาเป็นความพอใจไม่พอใจ น, อนนี้แหละมันจะเกิดสภาวะเป็นกลางขึ้นมาเกิดความยุติธรรมแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันทุกของกายไม่เบียดเบียนจิตใจทุกของจิตใจความคิดที่เกิดขึ้นมัก็ไม่เบียดเบียนร่างกายเพราะว่าสติก็จะแยกเป็นตาในที่คอยสอดส่อง ทำให้เราเห็นความจริงแล้วก็เห็นทุกข์<ๆ>เห็นเหตุแห่งทุกข์ออกมาจากความทุกข์ได้แน่นอนอย่างนี้นนะก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันทำบัตจดมนแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกระนาประเด็นนะที่พอจะจับได้ตามสมควรแก่สติแก่ปัญญาน้อมมาปฏิบัติก็ขอให้ธรรมะที่เป็นลนักษณะของการปฏิบัติธรรมเนี่ย จะส่งผลเป็นอนิสงส์เป็นภระปัจจัยค้าจุนจจ้นส่งให้เราได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทุกลมหายใจเป็นการเดินทางด้วยสติได้ปัญญาสู่ความพ้นทุกข์ในปลายวันชาตินี้โดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนทั้งเติน